ใกล้เทศการคริสต์มาสนะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการที่เราหันไปหาคนข้างนะครับแล้วก็บอกเขาว่าม e r อเล็กคริสต์มาสีไหมฮะตี๋ไหมฮะมืเลคริสต์มาสนะครับขอให้ควาสุขวันคริสต์มาสนะครับเมื่อพูดถึงคริสต์มาสนะครับเรามักจะคิดถึงคำว่าอิมมานูเอลนะครับซึ่งเป็นถ้อยคำเป็นชื่อนะครับที่ใช้เรียกพระเยะซูแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับ มีนักเขียนคนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับชื่อแม็กลูคาโดนะครับแม็กลคาโดเขียนหนังสือกล่าวถึงคําว่าอิมนูเอลไว้นะครับว่าวันหนึ่งครับพระเจ้าเองได้ยื่นหนังสือฉบับหนึ่งให้ซาตานหรือลูซิเฟอร์นะครับบอกว่านี่ดูลายชื่อของคนที่อยู่ในหนังสือนี้นี่คือบุคคลที่จะลุกขึ้นจัดการกับเจ้าและซาตานก็ค่อยๆเปิดดูครับหนังสือที่ได้รับมาแล้วตัวเองก็บอกว่าจริงเหรอเจ้าอย่งนี้จริงเหรอบอกใช่คนนี้แหละจะทํา จะต่อสู้กับพวกเจ้าและทํำลายเจ้าจนถึงที่สุดและชื่อที่ปรากฏก็คืออิมมานูเอลซาตานแปลกใจว่าจะเอาแผนการนี้จริงๆหรือพระเจ้าพระองค์ไม่รู้หรือว่าโลกที่อยู่ภายใต้การครอบงําของผมเนี่ยมีความมืดมากเพียงใดมีความน่าหวาดกลัวมากเพียงใดเสื่อมทรามมากเพียงใดแล้วซาตานก็บรรยายเรื่องราวของโลกที่เขาทําลาย พราเจ้าก็พูดสวนกลับมาครับบอกว่าแต่โลกนี้เป็นของเรานะเราจะทวงสิทธิ์ของเรากลับคืนมาเราจะเป็นมนุษย์เราไปสัมผัสว่าสิ่งทรงสร้างทั้งหมดรู้สึกอย่างไรเราจะเห็นอย่างที่พวกเขาเห็นสาธานสวนเลยครับแล้วความบาปพวกเขาล่ะเราจะนําพระเมตตาไปให้แล้วความตายล่ะเราจะให้ชีวิตจากนี้ไปซาตานพูดไม่ออกเลยครับพระเจ้าว่าเรารักลูกของเรา เราจะความรักไม่ได้เอาสริภาพของคนที่รักไปแต่ความรักนําเอาความกลัวออกไปทั้งหดอิมมานูเอลจะปลดแอกพงพันธุ์ของลูกๆแห่งความไม่ขาดกลัวอีกพวกเขาจะไม่กลัวเจ้าและนรกของเจ้าอีกต่อไปวกเขาจะไม่กลัวอีกแล้วเหรอใช่เราจะเอาความบาปทั้งหมดไปจากเขานําความตายไปจากเขาเขาจะไม่กลัวอํานาจแห่งความตายซาตานเดินวนไปวนมารู้ว่าทำางไงต่อดีครับ แล้วซาตานก็พึมพำแล้วถามพระองค์ว่าทําไมพระองค์ต้องใช้ยุทธวิธีแบบนี้พระาสูตเสียงพระพิดาที่ลุ่มลึกและนุ่มนวลตอบกลับเขาว่าเพราะเราลักพวกเขานไปหาคนาข้างบอกคนข้างดีไหมครับพระเจ้ารักคุณครับนะดีไหมนะฮะฉะนั้นในฐาะที่เราเป็นผู้เชื่อครับ พระเยซู ล, ลงมาในโลกใบนี้เป็นองค์อิมานูเอลอยู่กับเราที่นี่แล้วเราก็คุยกับเราแล้วบอกรักว่าเรารักเจ้ามาก แ, แน่นอนครับความหมายของอิมานูเอลยังมีความจริงบางอย่างที่เราควรรู้แล้เมื่อเรารู้วันนี้ผมอยากให้เราออกจากห้องประชุมนี้ไปด้วยความรู้สึกที่เรารักพระองค์ตอบครับและทําให้เรามีความสุขใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันให้เราที่ฐานดีไหมครับขอพระองค์ทรงโปรดนําเรา พระวิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับชัยชนะของพระเจ้าที่มาถึงข้าพระองคทั้งหลายขอให้ความจริงของพระนามของพระองค์คืออิมานูเอลจะเป็นที่ประจักษ์ท่ามกลางเราเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจเราจะตอบสนองต่อความจริงนี้ด้วยความทอมใจด้วยการเชื่อฟังด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์มากขึ้นทุกวันผงคเจ้ข้าขอทรงโปรดเปิดตาใจข้าพระองทั้งหลายให้เราเข้าใจและเราออกจากห้องประชุมนี้สแสดงความรัก ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานข่งความเข้าใจว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเป็นองค์อิมานุเอลขอบคุณพระองค์ครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เปิดตาใจให้ข้าพองค์หลายได้เข้าใจและตอบสนองตอบพรอ ง, รองด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาแฮเมนวันนี้นะครับที่ผมจะเทศก็คือในอิสยาห์บทที่7นะครับแน่นอนครับพระอิสยาห์เป็นหนังสือผู้พวิจนะที่มีการพยากรณ์ น, นะครับ ถึงอาณาจักรของพระเมสยาที่จะมาสยามี66บทครับ39บทแรกดูเหมือนจะเป็นภาพของการพิพากษาลงโทษ4 0่สถึงหกเป็นภาพของการอวยพรของพระเจ้างั้นมีทั้งมีทั้งพิพากษามีทั้งเล้าลมและการอวยพรอยู่ในหนังสือฉบับนี้หนังสือฉบับนี้จึงเป็นหนังสือที่พยากรณ์ความเป็นไปของอาณาจักรของพระเมสยาที่จะมีมาในอนาคตก่อนพระเมสยาจะมากว่า700อปี แน่นอนครับว่าหนังสือดัมมีจึงถูกขนานนามว่าเป็นพระกิติคุณแห่งพระคัมภีร์เดิมเลยเพราะเราพบว่าพระคัมภีร์เดิมนี้ถูกนํามาโคดในพระคัมภีร์ใหม่มากที่สุดเลยมีการบัญญัติยาก่อ ถ, ถึงความเป็นไปขององค์พระเยซูกิจเจ้าที่จะมาบังเกิดและการทรรําัญญัติของพระเยซูริจเจ้าและการสิ้นมชนบนไม้กางเขนของพระองค์แน่นอนครับทำตอนนี้ที่เรากำลังศึกษาเป็นตอนที่สําคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับการมาบังเกิดในเทศกาลคริสต์มา ก็ ค, คือพระเยซูมาบังเกิดอย่างน่ามหัศจรรย์ที่สุดนะครับถ้าเทียบเคียงในพระธรรมมัทธิวจะรู้ว่านี่เป็นการแก้ลามข่าวลือที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนั่นคือพระเยซูนางมารีคลอดพระเยซูมาเป็นการท้องนอกสมรสหรือเป็นความผิดของธรรมัญญัติของชาวยิวเลยต้องเอาหินขว้างให้ตายนะครับนี่เป็นการแก้ลามเลยแต่ว่าการพยากรณ์กว่า700กว่าปีนี้ถูกพยากรณ์ล่วงหน้าว่าพรองจะเกิดอย่างมหัศจรรย์แบบนี้แหละ และเรีชื่อว่าอิมมาด้วยก่อนที่จะอธิบายความผิตอนนี้ขอย้อนอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะอธิบายบทที่7ให้ฟังสักหน่อยบทที่7ก่อนจะมาถึงข้อที่10เนี่ยข้อถึง9เป็นภาพ ข, ของการต่อสู้ในสงครามครับแลนะมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรฝ่ายเหนือนกับอาณาจักรฝ่ายใต้อดิสเซียลนะั้นแยกเป็น2 ส, ส่วนครับฝ่ายเหนือเรียกว่าเอฟราอิมฝ่ายใต้เรียกว่า e ยูดาอาณาจักรฝ่ายเหนืออยากจะครอบครองยูดาครับก็เลยสมรู้ร่วมคิดกับ อาณาจักรซีเรียนะครับรวมพลังสองกองทัพยกมาทับกองทัพมาสู้กับยูดาเพียงกองทัพเดียวายูดาก็เอาสิสองต่อหนึ่งก็สู้ไม่ไหวก็ต้องไปหาอีกสักประเทศหนึ่งนะที่อยู่ ใ, ใกล้ๆแถวนั้นชวนมาช่วยกันเป็นสองต่อสองข่าวนี้ลบชนะแน่นอนก็เลยไปพึ่งพาอาณาจักรอัสเซีเยซึ่งใ น, นสมัยก่อนนั้นยังไม่เลืองอํานาจเท่าไหร่นะักําลังก่อร่างอาณาจักรขึ้นมานะครับเพื่อจะมาต่อก่กับสองอาณาจักรด้านบน กษัตริย์อาหารเขาซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวยูดาห์เองหันไปพึ่งพิงออสเตรเลียไม่สนใจเลยไม่เอาหรอกพ ร, อพระเจ้าเราเรามีคนที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วฉะนั้นองค์อิมมานูเอลจึงเกิดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้แหละครับพี่น้องครับฉันวันนี้ครับจากพระธรรมวันนี้เราจะพบความจริงของคําว่าอิมมานูเอลหรือหมายสําคัญแห่งการสถิตยอยู่ของพระเจ้าสาแง่มุมที่วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันความจริงอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับหมายสําคัญอิมมานูเอล คือการขอหมายสําคัญการขอหมายสําคัญนี้สะท้อนถึงการเชื่อฟังครับอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์กำลังวิกฤตนะครับบ้านเมืองกําลังวุ่นวายเลยกษัตริยูดาห์เนี่ยจะมานั่งรอนั่งรอนั่งรอแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระเจ้าช่วยไม่ไม่เห็นเนาะจับต้องไม่ได้พระเจ้างั้นเอาไงดีเอาที่มันจับต้องได้เห็นด้วยกับตาดีกว่าเดินไปหากษัตริย์อัสสัลยบอกเนี่มาช่วยกันลบหน่อยนี่จากฝ่ายเหนือมันช่าง เป็นคนที่ลุกลานชอบลุกลานเอา ใ, ใจตัวเองจังเลยช่วยมาปกป้องหน่อยสิแล้วนี่คือมองสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายๆสบายแน่นอนนะครับถ้าเราอ่า น, นพระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่7ข้อหนึ่งหนึ่งข้อเเราจะเห็นว่ามีการพยากรณ์ล่วงหน้าก่อนที่หมายสําคัญนี้จะเกิดขึ้นนะั่นคือมีการพยากรณ์ล่งหน้านะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าอีกไม่นานในข้อที่8เราจะเห็นว่าเอฟราอิมจะแตกเป็นชิ้นชิ้น จนไม่มีชนชาติภายใน65ปีตาวุธศาสตร์เรารู้ว่าเอฟราอิมจะแตกตอน722ก่อนกิจการนะแปลว่าพระคำตอนนี้ถูกพยากรณ์ไว้ปี787ก่อนกิจการพยากรณ์ล่วงหน้า65ปีเลยว่าวันหนึ่งอาณาจักรฝ่ายเหนือจะล่มสลายลงด้วยอัสเตเลียนี่เองวันนึ่งอัสเตเลียจะกวาดล้างอาณาจักรฝ่ายเหนือทั้งหมดเลยจนเป็นทาสไปมีการพยากรล่วงหน้าเรียบร้อยครับ ดัง้นพระเจ้าจึงเรียกร้องว่าเมื่อพยากรณ์นี้เสร็จโปร่งคุยให้อัสยาคุยกับอาหัดต่อว่าจงขอหมายสําคัญโอ้การขอหมายสำคัญหมาคัญคืออะไรครับหมายสาคัญคือเหมือนกับเป็นป้ายชี้ทาง น, นะครับผมเพิ่งไปงานแต่งงานมาไปเชียงใหม่มีป้ายบอกว่าอ้าอีก200กิโลอีกร้อกิโลถึงเชียงใหม่การที่มีป้ายแบบนี้กํลาลังให้ความมั่นใจว่าอถูกทางแน่นอน ไม่ใช่เขาไปเอ๊ะไม่มีคําว่าเชียงใหม่เลยอ่ะสองรกิโลเขาแล้วร้อกิโลแล้วยังไม่เห็นคําว่าเชียงใหม่แสดงว่าเรามาผิดทางแล้วการนี้ป้ายบอกทางหรือมีหมายสําคัญนี้ทาให้รู้มีผลด้านจิตวิทยาสูงมากนะทําห้เรารู้ว่าเราไปถูกทิศนะ แ, แน่นอนครับการที่อาหัดไม่ยอมขอหมายสําคัญพระเจ้าจึงต่อว่าเขาครับว่าแต่อาหัดตอบว่าเราจะไม่ทูลขอหรือไม่ลอง พ, พยาเวดู อาหัตาพระเจ้าตอบว่าข้าแต่พระราชวงค์ดาวิดขอทรงฟังการทําให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับพวกฝ่าพระบาทหรือและพวกฝ่าบาทยังทําให้พระเจ้าของข้าพระองค์หลายอ่อนพระทัยเสียด้วยการที่อาหัตไปเสร็จไม่เอาไม่เอาไม่เอ า, เอาฟังดูดีนะครับแมให้ผมขอไมยสําคัญที่มาจากฟ้าหรือมาจากใต้ดินก็แล้วแต่นะ ขอเลยพระเจ้าบอกให้ขอโ อ, ขอ้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอการไม่ขอแบบนี้ดเหมือนจะเป็นการทําร้ายจิตใจของประชาชนประชาชนของอยากมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยแน่นะไอที่65สิบห้าปีหกปีนะช่วยแน่ช่วยแน่แนการที่สําเดงให้เห็นเป็นรูปประทำแบบนี้แหมประชาชนคงได้รับการหนุนน้ําใจมากมายไม่เพียงประชาชนท้อใจพระเจ้าเองก็ยังอ่อนใจเลยว่าโอ้ทําไมไม่ขอ เพื่อคนอื่นเขาจะได้รับการโอวยพรได้รับการหนุนน้ำใจว่าสิ่งที่คุณนั่งรอคอเนี่ยมาถูกทางแล้วไม่ใช่ไปพึ่งพาอัสซซเรียซึ่งวันต้องบอกว่านี่เป็นภาพของความดื้อดึงเพราะคิดว่าเขาสามารถหันไปพึ่งพิงออสซเรียได้โดยไม่สนใจพระเจ้าเราเห็นภาพความแตกต่างครับเจ0ดร้อยกว่าปีต่อมามีคนคนหนึ่งซึ่งแตกต่างจะอาหัดอย่างสิ้นเชิงคือโยเซฟ แน่นอนครับปรกรณ์พีเปรียบเทียบภาพของอาหัดผู้ดื้อดึงผู้ถือดีผู้คิดว่าตัวเองแน่และไม่สนใจการพึ่งพาพระเจ้ากับภาพของโยเซฟครับที่เกิดดีฟังนะครับว่าพระเยซูมาบังเกิดในครอบครัวของโยเซฟและมารีนะครับโยเซฟมารีเนี่ยมีการมั่นหมายตามธรรมเนียมชาวยิวก่อนล่วงหน้าเชื่อว่าคงประมาณสักปีหนึ่งครับแล้วก็ฝ่ายชายก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ในการสร้างเรือนหอบนที่ดินของพ่อตัวเอง เมื่อสร้างเรือนหอเสร็จก็จะกลับมารับเจ้าสาวไปในเรือนหองตัวเองแต่อนนี้จังครับโอ้หน้าแปลกใจอยู่ดีมารีตั้งครันแน่นอนครับการตั้งครันนี้เป็นการตั้งครันโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โยเซฟเองครับกําลังวางแผนเลยรักมารีก็รักรักก็รักรักก็รักทำไงดีถ้าตามตำเนียมชาวยิวต้องเอาหินขว้างผู้หญิงคนนี้ให้ตายเอารักน่ะใครจะขว้างคนรักตัวเองลงอ่ะสุดท้ายก็เลยวางแผนว่าจะถอนมั่นรับๆ เพื่อไม่ให้มารีต้องตายสิ่งเหล่านี้ครับการถอนมั่นรับนี้เป็นการแลกมาซึ่งการมีเข า, าพระคัมภีบรรยายภาพว่าโยเซฟเป็นบุคคลที่ได้รับตราอย่างหนึ่งที่คนชาวยิวบอกว่าคนคนนี้รักษาธรรมญัติโทราห้าเล่มแรกอย่างเคร่งครัดเขาได้ตาคนที่มีธรรมะที่ดีมากวันนี้เขาต้องแกล ตาตัวนี้ทิ้งไปแล้วบอกว่าฉันจะไม่มีตาตรงนี้อีกแล้วเพราะว่าฉันไม่รักษาบัญญัติที่พระเจ้าสัญญาให้เราทำตามก็คือถ้าใครทำผิดเอาเหินขว้างผูง้หญิงคนนี้ซะผมจะถอดตานี้ทิ้งเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ซื่อสัตย์ต่อการรักษาบัญญัติโทระาแล้วชายโยเซฟตัดสินใจทิ้งตาเนี้เพราะเชื่อฟังการทรงนาพระเจ้าว่าจงรับนางมารีเป็นภรยาของเจ้า นี่คือคนสองคนที่แตกต่างอาหัสซึ่งเชื่อว่าเขาสามารถพึ่งพาระบบวิธีคิดของตัวเองได้กับโยเซฟซึ่งพยายามล้มล้างวิธีคิดแบบเดิมๆที่ตัวเองมีวันนี้เรามีแผนสำรองไหมพี่น้องครับเราคิดว่าเราแน่พอที่เราสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเราเองได้วางแผนทุกอย่างแม้เราบางคนเป็นคริสเตียนอาจจะมองดูพระเยซูเป็นเหมือนกับพระประธานเนาะคือเรามาเข้ามาในบสถุกอธิษฐานโอ้พระเจ้าขอเมตตาพื่ หลังจากนั้นเป็นต้นไปเราทําทุกอย่างด้วยความสามารถตัวเราเองแล้วพอเสร็จงานปุ๊บโอ้ขอบคุณพระเยซูพระเยซูของดั้งมองนานเราบอกโอ้เราช่วยเจ้าตอนไหนตัวนี้เราพยายามหันมาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราบอกว่าเราจะพึ่งตัวเองทันทีครับวันนี้ผมอยากจะให้เราหันกลับมามองดูวิธีคิดแบบดีครับโอ้ช่างเป็นวิธีคิดที่ดูเหมือนพยายามยกตัวเองให้สามารถสูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างได้ หน้าที่วของเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คือแค่เชื่อฟังการทรงนําอย่างเดียวก็เพียงพอมนุษย์อย่างเราเราลืมตัวไปครับว่าวันหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่เราไม่สามารถขอโทษทีคานไปยังหน้าอกของคุณแม่แล้วก็ดูดนมจากเต้านมของแม่ได้เลยไม่มีใครสามารถทําได้ถ้าเร า, าดูสรารคดีนะครับเราจะเห็นลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดลูกเสร็จปุ๊บลูกจิงโจ้จะคานเข้าไปในท้องของแม่จิงโจ้แล้วก็ไปหาหัวนมแล้วดูดเอาได้ ไม่มีมนุษย์คนไหนสักคนเดียวที่สามารถลุกขึ้นวันนี้ฉันเกิดไปแล้วปั๊บขาดเลยคาดไปหาหน้าอกของแม่แล้วก็กินนมขอแม่ขอกินนมหน่อยไม่มีคนไหน ท, ทำได้แต่พอเราโตขึ้นเราลืมไปว่าเราลืมความจริงว่าเราเองอ่อนแอนักโทษทีทำความสะอาดหลังจากที่ท ำ, ท, ำทุระหรือทาทุระทั้งเบาทั้งหนักเองแล้วยังทาไม่ได้เลย พอเราอายุมากขึ้นเราก็ย้อนกลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงเราไม่สามารถควบคุมสภาพร่างกายที่อ่อนแอได้เลยเราก็ลืมไปเรานี่แหละจะครองโลกถ้าเราดูฮอลลีวูดนางฮอลลีวูดกาลังสื่อความหมายแบบนี้ว่ามนุษย์สัญญานรวมอย่างเราจะครองโลกแม้ขุดยนตัวใหญ่ะยังสามารถสั่งให้ขุดยนตัวใหญ่ออกจากโลกนี้ได้เลยนี่แหละมนุษย์ อัน t r a n s f o r m e r อทำให้เราเห็นภาพแบบนี้ว่าเราสามารถสั่งคุณท r a n s ฟอร์ e r อร์ให้ออกนอกโลกได้มนุษย์อย่างเราเนี่ยนะลองจินตนาการดูนะถ้าออปติมัสพามจะฮัดชิ้วทีหนึ่งนะมนุษย์คนนั้นคงจะกระเด็นตายไปแล้วแต่นักฮอลลีวูดกำลั ง, ลงสตาร์ทให้เราคิดว่าเราจะครองโลกส่วนมนุษย์จะพึ่งตัวเองได้ไม่มีนะครับพี่น้องครับความจริงของอิมาเรเนลเล่ลังบอกเราว่า ให้เราขอหมายสำคัญให้เราขอด้วยการเชื่อฟังพระองค์การเชื่อฟังพระองค์ดีกว่าการที่เราพยายามดั้นด้นไปด้วยตัวเราเองสิเพราอชายอัซีเลียก็ทำลายล้างพี่น้องร่วมชาติคือเอฟราอิมจนหมดสิน้นเพราะอะไรเพราะการที่เขาดื้อดึงและไม่เชื่อฟังเขาเองก็ถูกพาย ยูดาห์เองก็อยู่ภายใต้การครอบงำของอัสซีเรียแทนที่เขาสามารถจะต่อกรอัสซีเรียได้ที่เป็นความน่าเศร้าที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงอย่างแรกอิมานูเอลจึงร้องเรียกให้เราเชื่อฟังพระคความจริงอย่างที่สองของอิมานูเอลพระเจ้าทรงเสด็จกับเราคือไม่ใช่แค่ขอครับคือการให้หมายสำคัญด้วยพระคุณเราจึงขอบพระคุณพระเจ้า อาหารปริเศษครับอย่างที่บอกอาหารปริเศษไม่ขอหมายสำคัญอะไรสักอย่างไม่ว่าจะมาจากฟ้าเบื้องบนคืออาจจะมีการส่งภาพ LCD ดีโปรเจคเตอร์นะครับลงมาจากท้องฟ้ า, าไปคนถึงคนเห็นว่าพาาระเจ้าอยู่นะไม่มีการขอแบบนี้หรือการที่อยู่ดีแผ่นดินเบื้องล่างธรณีเปิดออกแล้วเห็นภาพบางอย่างอยูอย่ในเหวลึกใหญ่ไม่มีปาสาคัญแบบนี้เลยและเขาไม่ขอหมายสาคัญพระกัมพีบันทึกตอว่า เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสําคัญให้เองอั น, นี้มานูเอลจึงเป็นภาพสัญลักษณ์แห่งพระคุณครับขอที่บายพระคุณสักหน่อยคือพระคุณคือของขวัญที่ให้โดยที่ผู้รับไม่สมควรจะได้รับและผู้รับไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้มาซึ่งได้รับด้วยเช่นเราเป็นคนดีนะเพราะนั้นเราควรได้พระคุณ เรามีนู่นเรามีนี่เราเป็นคนมีฐานะเราเป็นคนมีนามสกุลนี้เป็นลูกท่านหลานเธอโอ้ยไม่มีทางเลยครับอย่ามาอ้างถ้าพระเจ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้สิทธิอํานาจในการเด็ดขาดในการให้อยู่ที่พระองค์คนเดียวแล้วปราคำตอนนี้ครับไม่มีเลยว่าอาหัรอยากได้หมายสําคัญนี้พระเจ้าให้เองอาหัรนี้ดูดึงอย่างห่างที่บอกนะครับคือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะจริงๆแล้ว ข้างหน้ากาลังใส่หน้ากากหลอกพระเจ้าอยู่โอ้ดูเหมือนทถมใจไม่เอาครับไม่เอาแต่จริงๆแล้วข้างหลังคือผมติดต่ออัสเรเลียไว้เรียบร้อยผมไม่ขอพึ่งพงหรอกแต่พระองค์ทรงทรงําอย่างหนึ่งเลยคือพระองค์ให้เองนี่คือพระคุณครับเราไม่สนใจพระเจ้าเลยเราไม่เอาเราเอาอะไรกับพระเจ้าสักอย่างเลยยังไงพระเจ้าก็ยังรักเราอยู่ดี แม้คนทั้งโลกไม่แสวงหาพระองค์พระองค์ย่างไรก็จะลงมาในโลกนี้อยู่ดีและแม้วันที่พระเยซูลงมาในโลกนี้แล้วคนทุกคนยังไม่รู้เลยพระเยซูมามีคนเพียงกลุ่มน้อยนิดเท่านั้นที่รู้ว่าพระเยซูมาแล้วเรื่องราวนี้ก็ถูกประกาศก้องออกไปจากคนกลุ่มน้อยนี้งนั้นอาหาัดไม่สมควรจะได้รับเลยแต่นี่เป็นพระคุณมากเลยที่พระเจ้าให้อันนี้มาดูเอลกึงสะท้อนให้เห็นภาพของ พระคุณของพระเจ้าแน่นอนครับเมื่อเราคิดถึงในเจ็ดร้อยปีต่อมาเราคิดถึงครอบครัวโยเซฟมารีเรารู้แล้ว่าโอ้โหมาเรีไม่ควรได้รับการรอดพ้นจากการถูกก้อนหินคว่างเลยด้วยบทบัญญัติชาวยิวคนดีสมควรถูกก้อนหินคว่างให้ตายบุ้มถ้าถูกขว่างตายพระเยซูจะไม่ได้เกิดแต่นี่คือพระคุณพระเจ้าที่เพียงพอเสมอที่ดูแล ทุกอย่างอย่างดีพระคุณที่ดูแลโยเซฟและมารีให้ปลอดภัยพอทารกน้อยคลอดออกมาโยเซฟต้องสูญเสียการยอมรับในฐานะทางสังคมคนที่เคร่งค่าศาสนาพาพระกุมารหนีหัวซุกหัวซุนปิดร้านช่างไม้โดยมีกำหนดลาก่อนวันนี้ปิดสงการปิดปีใหม่ปิดตุ้จีน แต่เขาไม่บอกเลยครับว่าจะปิดเท่าไหร่เขาปิดแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนเพื่อไปอียิปต์แต่พระคุณของพระเจ้าเพียงพอที่จะปกป้องเขาทั้งสองคนแล้วก็พระกุมารเยซูยางดีแต่ร่าครับอิมมานุเอกลกำลังบอกเราว่าพระองค์เองประทานอิมมานุเอลให้เรานะมีพระคุณเพียงพอเสมอในชีวิตของเรา วันนี้เทศกาลคริสต์มาสหลายคนอาจจะวุ่นวายใจนะครับบางคนบอกว่าจะต้องจัดต้นคริสต์มาสยังไงดีจัดงานคริสต์มาสยังไงดีอ้มีเรื่องราวให้มาวุ่นวายบางทีเทศกาลแห่งความสุขกลายเป็นเทศกาลแห่งการทะเลาะวิวาทและการบ่นต่อว่าบางอย่างเพราะทําทไม่ถูกใจให้บครับคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งพระคุณเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าจะเกิดเรื่องราวที่น่ารู้สึกําคาญใจก็ตาม หรือไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจก็ตามพี่ดองแต่ทั้งผมอยากบอกว่าพระคุณของพระเจ้าเพียงพอสมาไม่ต้องบน่นไม่ต้องชี้นิ้วเ่าโทษคนรุ้นคนดีว่าไอ้คนนั้ น, นทําให้เราไม่พอใจคนนี้ทําให้เราไม่พอใจเทศกาลนี้มันทาให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นพระคุณพระเจ้าโจเซ่อาจจะบ่นก็ว่าโอ้ทำไมพระองค์ให้พระกุมารเยซูกเกิดเสร็จแล้วต้องไปต้องหนีด้วยะการหนีทําให้เราเห็นยิ่งเห็นพระคุณพระเจ้าความทุกข์ยากบางครั้งทําให้เราเห็นพระคุณพระเจ้า มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ที่มืดมิดที่สุดเราเห็นแสงเทียนสว่างที่สุดจุดเทียนท่ามกลางแสงอาทิตย์เรา อ, อจะไม่ได้เห็นพลังของแสงเทียนเลยแต่แท้จริงแล้วแสงเทียนช่างสว่างจริงที่ราครับวันนี้เทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลที่เราหน้าจะขอบพระคุณพระเจ้าที่เตรียมสิ่งดีๆให้เราเและอิมมานูเอลก็เพียงพอที่บอกว่าพระองค์อยู่ด้วย ก็เพียงพอเสมอจริงๆงนคริสต์มาสนี้ครับให้เราเต็มไปด้วยการขอบคุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนดีดูเหมือนไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าทุกอย่างพระคุณของพระเจ้าเพียงพอเสมอความจริงอย่างสุดท้ายครับที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกครับว่าอิมมานูเอลหรือพระเจ้าทรงสิทธิกับเราด้วยการที่พระองค์ได้ให้ขอ คือการขอด้วยความเชื่อฝังการให้คือการขอบพระคุณพระเจ้าหรือลึกถึงพระคุณของพระองค์และอย่างที่สามคือความหมายของอิมมานูเอลกาลังพูดถึงว่าให้เราเชื่อวางใจในพระองค์อิมมานูเอลชื่อนั้นสาคัญขไหนความคิดของชาวยิวนะครับชื่อบ่งบอกลักษณะของคนคนนั้นบางทีอาจจะเป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตของเขาคนนั้นเลยเช่นยาโคบ คำพิบรรยายภาพยาโคบนายหลอกลวงชื่อว่านายหลอกลวงแปลว่าอะไรตลอดชีวิตของเขาหลอกลวงตลอดอ่ะขี้โกงตลอดอ่ะชื่อมันกําหนดความเป็นไปของคนคนนั้นเลยและแน่นอนครับคนชาวยูทุกวันนี้ก็ยังคงระลึกถึงว่าพระเมสยาอย่างไม่มาเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสยาทุกวันที่คนยังรอคอยพระเมสยาถึงแม้ตอนนี้นะครับจะมีการเคลื่อนไหวที่กําแพงคําควรหรือวิลลิงบอร์นนะครับที่เกุงยูเซมตอนนี้นะครับ หลังจากที่ธาณารดีสารัสประกาศป๊อนะครับจะเปลี่ยนแคปิตอลหรือเปลี่ยนเมืองหลวงจากเทอวิฟมาเป็นเยรูซาเล็มโอ้มีการเคลื่อนไหวและแน่นอนครับที่กำแพงนั้นเองคนยิวยังคงคล่ำควรรอคอยว่าเมื่อไหร่นะเมสยาจะมาเขายังคงรอคอยอยู่และ้แปลกใจครับคนพวกผู้ชายยิวทั้งหลายจึงตั้งชื่อพอข้อลูกชายเสร็จจึงตั้งชื่อลูกที่มีเอลเอลอาอาทั้งหลาย พราอชื่ออย่างนี้มีความหมายสะท้อนถึงพระเจ้าเองด้วยความคาดหวังว่าลูกชายของตัวเองสักวันหนึ่งอาจจะเป็นพระเมสยาดนะังั้นชื่อจึงสําคัญมากต่อชาวฮิวส์ังนั้นพระนามอิมมานูเอลจึงมีความหมายค่อนข้างจริงจังมากต่อบุคคลที่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระเจ้ากาลังยืนยันว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยชื่อนี้มีความหมายจริงๆครับอย่างที่บอกนะครับ แต่ท่ามกลางสถานการณ์หน้าเสียวหน้าขวานที่สุดคนกําลังลบกันน่ะแล้วอยู่ดีพระเจ้าว่าพระองค์จะอยู่ด้วยโอ้มีนัยยะมากเลยถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยโอ้อะไรก็ไม่กลัวแล้วที่เปาโลบอกถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเข้าพระเจ้าจะกลัวผู้ใดไม่กลัวแล้วว่าถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยพระองค์จะอยู่ด้วยจริงๆพระองค์สัญญาว่าบระงจะประทานหมายสําคัญให้และหมายสําคัญนี้จะเป็นอย่างนี้เลยคือจะมีผู้หญิงคนหนึ่งขอดบุตรชายคนหนึ่ง เขาก็จะเรียกนามของเขาว่าอ mm ิมมานดเอลโอ้นี่เป็นการสะท้อนถึงอํานาจของพระองค์เลยว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนาลงจะคลอดลูกผู้ชายนะรู้ได้ไงเป็นผู้หญิงก็ได้นะผู้ชายแน่นอนโอ้ oh, นี่สามารถควบคุมกรรมส่ได้เลยนะใช่พระเจ้ามีอํานาจนะควบคุมการเกิดได้ว่าจะเกิดแน่นอนเกิดแล้วเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ทุกอย่างมีหมดไม่นี่คือพระเจ้าจริงๆเลยมีอํานาจสามารถสั่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้ไม่เพียงเท่นั้นครับสิ่งนี้เองอาจทำให้อาหัส แปลกใจค่ะแทนที่จะบอกว่าเย้เจอเราจะให้หมายสำคัญคนหนึ่งจะมีคนหนึ่งขี่ม้าขาวมามีกองทัพอีกนับหมื่นคนตามมาไม่มีหมายสำคัญแบบนี้ครับหมายสำคัญที่ว่านี้คือจะมีเด็กคนหนึ่งมาเกิดเฮ้ยเด็กคนหนึ่งจะมาเกิดสงครามมันจะเกิดอยู่แล้วเอาเด็กมาทำไมเอาผู้ใหญ่ขี่ม้าขาวาดีกว่าไหมเอาท r a n s f o r m e r มาสักตัวดีไหมเดี๋ยวใช้ t r าน s f o r m e r มาตัวหนึ่งดีไหมหรืออะไรก็ได้เป็นซูเปอร์แมนสักคนหนึ่งดีไหม เอ็กซ์ Men, มนดีสักคนหนึ่งดีไหมลงมาจะได้จัดการให้หมดไม่มีครับพัมพีบันทึกเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาแล้วช่วยเลยเราก็ลัาจะลบกันอยู่แล้วแล้วพัมพียังพูดต่อด้วยครับพัมพียังพูดต่อในข้อที่16บอกว่าเพราะว่าก่อนที่เด็กคนนั้นจะรู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีแผ่นดินของกษัตริย์สอ ง, ององค์นั้นซึ่งฝ่าบาทวาดกูนั้นจะร้างเปล่าไป โอ้โี่เป็นการทํานายเลยครับเด็กที่จะเลือกสามารถเลือกเอาสิ่งดีเอาสิ่งไม่ดีไดน้น่าจะมาสักสี่ห้าขวบแนละ้วเริ่มจะมีความคิดของตัวเองเจ้าออว่าจากนี้ไปนะเด็กคนนั้นมันจะหย่านมจะเริ่มมีความคิดคิดดู่นคิดนี่เป็นนะสองอาณาจักรที่ยกมาลบกับพระองค์จะถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นเฮ้ยเอางั้นเลยเอ่ะแสดงว่าอะไรครับไม่ต้องทําอะไรเลยรอเด็กคนนี้โตขึ้นมาสี่ห้าขวบ แสดงว่ารอสี่ห้าปีเดี๋ยวเอฟราอิมและซีเรียรจะราบคาบลงนี่คือความเชื่อรุนรนไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวครับมีแต่เด็กตัว น, น้อยคนหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเลยจับดาบยังไม่ได้เลยและคนคนดีเองจะยืนยันบอกว่าจะนำการปลดปล่อยมาให้กับคนอิสราเอล แค่เชื่อแค่นี้เหรอแค่นี้เลยง่ายมากมีอะไรต้องการมากกว่านี้ไหมไม่ต้องถ้าการเป็นคริสเตียนหรือการรับพระพรจากพระเจ้าจะต้องบวกอะไรบางอย่างเช่นวันนี้หลายคนอาจจะมาในห้องนี้ยังไม่รู้จักพระเจ้าถ้าวันนี้บอกว่าโอ้ถ้าอยากจะรับพระพรจากพระเจ้าผมจะทำตัวเป็นคนดีเพื่อให้พระเจ้ายอมรับผมไม่ต้องเลย จงเป็นอย่างที่ท่านเป็นเลยคือเราเป็นคนบาปเรามีข้อจํากัดมากมายเพียงแค่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาสิ้นมุชนบนไม้กางเขนสามวันโปร่งเป็นขึ้นมาจากความตายแค่นั้นก็รอดแค่นี้เองเหรอโอ้ง่ายจังมันง่ายเกินไปนนถ้ากลัวง่ายเกินไปผมขอแถมข้อหนึ่งจากนี้ไปเมื่อออกจากห้องประชุมนี้อย่าทําบาปอีกเลยโอ้ยากเลยทันที ไม่ต้องเอายากมากก็ได้ครับเอาง่ายๆอย่างหนึ่งเลยจากออกจากห้องประชุมนี้ไปอย่ากโกหกอีกเลยชั่วชีวิตไม่มีใครทำได้ไม่มีเอาแค่ข้อเดียวนั่งทำไม่ได้เลยไม่ต้องคาดหวังอีกหลายข้อเลยที่จะตามมาขอข้อเดียวอย่ากโกหกมันยากมากเลยไปไหนมาเปล่าแม่ถามไปไหนมาเปล่าตอบแล้วเรียบร้อยว่าคานแม่ไม่อยากให้แม่ทำ ยิ่งถ้าแม่มีอายุแตกต่างมากๆเข้าสู่วัยทองแล้วโอ้โหยิ่งลาคาแล้แน่นอนครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นรเราจํากัดพี่น้องหลายดงั้นอิมานูเอลจึงเป็นภาพง่ายๆเลยง่ายที่สุดก็คือถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วเคลื่อนไหวช่วยของท่านนําการอวยพรแค่เชื่อเท่านั้นโอ้โหเอาอย่างงี้เลยไปถามอาหัสดูว่าโอ้มันเชื่อได้ง่ายจริงเหรอมันยากผมเข้าใจถ้าเราเป็นอาหัด โอ้หใช่นั่งรอสีลข้าปีโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วดูว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ยังไงมันยากใชแ่แน่นอนครับ7จ0ร้อยปีต่อมาโยเซฟและมารีคงมีข้อต่อรองเยอะโดยมาถึงปุ๊บพระองค์บอกให้มาขอดที่นี่นะที่นี่แน่นอนเบ็ดเลยเหมแน่นอนไม่มีโรงแรมเลยพระองค์ห้องเต็มหมดนะ ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเตรียมที่คลอดลูกให้โอ้พระองค์เจ้าข้าคนที่จะมาเกิดนี่นะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในโรงนานี่แหละในโรงนานี่แหละเอางั้นจริงนะพระองค์เอางั้นจริงๆเลยผมจะไปรอดไหมเนี่ยกษัตริย์ตามข่าแล้วอะเดี๋ยวให้เงินทุนในการเดินทางไปสองปีแล้ะล้านผมจะเป็นยังไงสบายมากเชื่อใจเราไหมเชื่อใจครับหนีเลยลูกสองปีใช่เราเห็นว่าสุดท้ายโยเซฟมาลี ทำตามการทรงนำด้วยการเชื่อและไว้วางใจพ้อผีไม่บันทึกคำบ่นของโยเซฟและมาเร่สักคำหนึ่งอ่ะเขาเชื่อวางใจว่าพระเจ้าจะดูแลลูกน้อยพระกุมารเยซูอย่างดีที่สุดจนมันหนึง่งรอคอยที่พระเยซูเสด็จออกมาปากดต่อที่หน้าสาธารณชนบอกว่าพระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยที่แท้จริงในรักกาวันนี้คริสต์มาสกาลัางเรียกร้องให้เรา เต็มันไม่ได้ความเชื่อวางใจอย่างเรียบง่ายแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองฉะนั้นความสุขในวันคริสต์มาสจึงเกิดขึ้นบนความเชื่อและไว้วางใจเราอาจจะมีหลายอย่างที่ในวันคริสต์มาสอย่าที่บอกนะครับวุ่นวายหลายสิ่งยอย่างช่วยเหมือนอย่างพระ ก, กุมารเยซูครับที่นอนอยู่ในหลางหญ้าในอ้อมกอดของนางมาลีรู้สึกปลอดภัยไม่รู้สึก ถ้าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงพระองค์คงรู้สึกว่าโอ้โหลางหยาคันขอเปลี่ยนที่ได้ไหมแล้วลุกขึ้นมาบอกว่ามารี ari, เข้าไปห้องนั้นเลยอย่าเขาบอกเขาเองว่าห้องนี้ห้องนี้ดีห้องสวีทห้องสุดอันนี้เลยห้องนี้เลยขอห้องนี้ฟังพองค์ทำได้แต่พระองค์บอกว่าพระองค์สามารถนอนหลับสนิทในหลางญ้าที่อาจจะดูคันๆหน่อยแต่มีความสุขจริงๆ วันนี้ท่านอยากจะมีความสุขแบบพระกุมารเยซูในรังหญ้าที่นอนหลับอย่างมีความสุขไหมคริสต์มาสเพียงแค่เชื่อเท่านั้นความสุขที่ว่านี้จะไหลท่วมท้นหัวใจของท่านเหมือนที่ไหลท่วมท้นหัวใจของผม30สิปีนะผมาจากครอบครัวคนจีนนะเราเองก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีการแสดงความรักโอกกอดนะครับต้องบอกว่าคนเอเชียนะทั่วไปก็คงไม่ได้แสดงออกสนี้ หัวใจของผมโหยหาความรักจากอ้อมกอดของพ่อจากคําบอกที่พ่อแม่บอกเราว่ารักนะรักนะแต่แน่นอนผมไม่เคยได้จนกระทั่งเมื่อผมได้พบพระเยซูเมื่อฐานตอนรับพระเยซูหัวใจที่ว่างเปล่าถูกเติมเต็มด้วยความรักจนเต็มและความสุขนี้จึงไหลล้นออกไปหาคนอื่นจากเด็กที่เห็นแก่ตัว กลายเป็นคนที่พร้อมจะแบ่งปันสิ่งทุกอย่างให้กับคนผู้คนมากมายไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีแต่พระคริสต์มาสเองเปลี่ยนชีวิตผมไปจนหมดสิน้นในห้องมุชุมนี้เช่นเดียวกันนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัสพลังอำนาจแห่งความรักในวันคริสต์มาสเลยผมอยากบอกเรียบง่ายที่สุดเพียงแค่ตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูที่เท่านั้นความสุขนวนคริสต์มาสจะอยู่ในหัวใจของท่าน ตลอดไปเริ่มต้นให้พระเยซูมานอนอ่ในหัวใจของท่านและท่านเองจะสัมผัสสันติสุขของพระองค์ชั่ววันเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มิชลีสองคนครับถูกเชิญไปนะครับจากรัฐบาลรัสเซียให้ไปอย่างบ้านเด็กกำพ้าที่รัสเซียนะครับในปี1994นะครับมิชลีสองคนนี้ไปช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสผดีครับแล้วก็แน่นอนครับ เฉี่ยก็เลยเล่าเรื่องราว ม, มันให้กับเด็กกำพร้าร้อยกว่าคนฟังจากนั้นพอเล่าเสร็จก็แจกกระดาษนะครับใหเ้เด็กทำลางญ้านะครับเด็กๆ ก, ก็เริ่มทำลางยาะครับแล้วก็หลังจากทําก็คือตัดห่อเป็นรูปลางญยาเสร็จก็เริ่มตัดผ้านะครับซึ่งเป็นเสื้อของคนที่มาเยี่ยมชมบ้านเด็กกำพรานี้นะครับที่เขาลืมทิ้งไว้ก็ตัดมันเป็นฝอยๆทําเป็นฟางในลางยาแล้วก็เอาแมกกาซีนที่มาจากอเมริกาครับตัด หัวที่เป็นเด็กทารกมาวางไว้เป็นรูปพระกุมารในลางยาหลังจากที่มิเชลีสองคนเดินทำดูศิลปะประดิษฐ์ของเด็กๆ เ, เรียบร้อยก็เอะใจครับหยุดอยู่ยืนมองดูเด็กคนหนึ่งครับแปลกใจในลางยามีรูปหัวเด็กสองคนอยู่ที่นั่นอมแปลกใจเลยก็เลยเรียกล่ามมาที่เป็นคนรัสเซียมามาแปลให้หน่อยทำไมเด็กคนนี้จึงให้ลางยามี คนสองคนเด็กคนนี้ก็เล่าเรื่องราวอย่างที่ไม่เชืรี่สองคนนี้เล่าครับอย่างดีเลยโอ้ยเล่าอย่างดีอะพอจบที่เล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์จบปุ๊บแต่คนนี้เล่าต่อหลังจากนั้นผมเดินเข้าไปมองดูที่รางหญ้าพระกุมารพระเยซูก็งแง้หน้ามาดังผมบอกว่ามีที่พักไหมผมบอกเขาว่าผมไม่มีพ่อผมไม่มีแม่ ผมไม่มีบ้านหรอกงั้นมาพักกับเราไหมเด็วคนนี้บอกว่าผมไปพักกับพระองค์ไม่ได้หรอกคนที่จะมาหาพระองค์ต้องเอาของขวัญมาให้พระองค์ผมไม่มีอะไรเลยผมเป็นเด็กกำพร้าแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากก็คือผมอยากอยู่กับพระองค์จังเลยเด็กคนนั้นก็คิดสักแป๊บหนึ่งบอกว่าผมให้พระองค์ได้อย่างหนึ่งคือขณะที่พระองค์นอนหนาวอยู่ในรางหญ้า ผมจะให้พระองค์ได้รับความบอบอุ่นจากผมได้ไหมยอห์สบอกโอ้นั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราอยากได้อย่างนั้นผมขอนอนอยู่ในรงังหญ้าเคียงข้างพระองค์เพื่อให้พระองค์อบอุ่นได้ไหมยอห์สบอกมาเถิดเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายสเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยกดังนั้นครับคริสต์มาสนี้องค์มารเอลปราถนาอย่างยิ่งจะอยู่กับเราและพระองค์ปราถนาอย่างยิ่ง จะให้เราอยู่กับพระองค์แล้วพวกเราให้ความอบอุ่นกับพระองค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปเพียงแค่ท่านเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองอันนี้มาดูเอลครับจึงมีความจริงสามประการที่ผมอยากจะบอกอย่างแรกการให้การขอหมายสำคัญ คริสต์มาสนี้ขอให้เป็นคริสต์มาสที่ท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างถ้าพระเจ้าเรียกร้องให้ท่านทำสิ่งใดจงเชื่อฟังและท่านจะเองจะได้รับการอวยพรอย่างมากมายจากพระองค์สองครับการให้หมายสําคัญคริสต์มาสนี้เป็นภาพของการขอบคุณวันนี้เรามีความวุ่นวายในในชีวิตสิ้นปีมากมายไม่ใช่คริสต์มาสอย่างเดียวจะมีเทศการปีใหม่ยัยงตามมาด้วยตุจีนอุนัน น, นุนอีกนะครับสิ่งวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมมากมายวันนี้ จงขอบคุณพระเจ้าในพระคุณที่เพียงพอเสมอเออาย่อิมานูเอลความหมายของอิมานูเอลหมายสำคัญนี้มีความหมายของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยจงเชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์อยู่กับเราจริงๆพระองค์ไม่เคยจากไปเลยขอให้เราเชื่อวางใจในพระองค์หลายปีก่อนครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งเป็นกษัตริย์เปอร์เซียฉลาดและเป็นกษัตริย์ที่ดีครับ สัตว์นี้รักประชากรของพระองค์มากเลยพระองค์เนี่ยอยากรู้ว่าประชากรของพระองค์เนี่ยดำเนินชีวิตยอย่างไรบ้างมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างก็เลยปลอมตัวครับสัตว์นี้ชอบปลอมตัวปลอมตัวเป็นสามัญชนครับแล้วก็ไปนอนกินข้าวอยู่กับคนจนๆนในสังคมไปอยู่กับคนขอทานบ้างนะครับอยู่ในบ้านคนยากจนบ้างไม่มีใครรู้เลยว่าพระองค์ปลอมตัวมาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขา ครั้งหนึ่งครับพระองค์ไปบ้านที่เป็นคนที่ยากจนที่สุดเลยในหมู่บ้านเขาอยู่ในในหลืบถ้ำนะครับเล็กๆนะครับและแน่นอนเขาก็กินอาหารเท่าที่เขาหามาได้กระสันองค์นี้ก็กินอาหารอย่างที่คนทุนจนนั้นกินคนนั้นก็แบ่งปันพูดคุยด้วยความเอื้ออาทรและต่างคนต่างให้กําลังใจกับกันและกันในการประชิญชีวิตบนความยากลําบากแบบนี้ ลหลังจากนั้นกษัตริย์องค์นี้ก็จากไปไม่กี่วันต่อมากษัตริย์องค์นี้มาเยี่ยมคนยากคนจนนี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เปิดเผยพระองว่าเราคือกษัตริย์ของเจ้ากษัตริย์คิดว่าโอ้คนจนคนนี้คงจะขอบําเหน็จบางอย่างหรือรางวัลบางอย่างอย่างที่ได้ดูแลกษัตริย์ในบ้านหลังนี้แต่แปลกครับคนจนคนนี้กลับพูดแบบนี้ โอ้พระองค์พระองค์ทรงจากพระราชวังของพระองค์สง่าราศีของพระองค์มาเยี่ยมข้าพระองค์ในสถานที่ต่ำต้อยแบบนี้เนี่ยยอมกินอาหารถูกๆอาจจะบุตรบุตรบางครั้งกับข้าพระองค์พระองค์ตั้งหากที่นำเอาความยินดีมาสู่หัวใจของข้าพระองค์คนอื่นๆอาจจะขอรางวัลจากพระองค์ แต่สำหรับข้าพระองค์แล้วพระองค์ให้พระองค์เองคือรางวัลในหัวใจชีวิตของข้าพระองค์เรียบร้อยแล้วน้องหลายคนพระเยซูลงมาในโลกวันนี้สละบัลลังฟ้าสวรรค์ตุ๊บลงมาในโลกวันนี้มาอยู่ท่ามกลางเรากินอย่างที่เรากินอยู่อย่างที่เราอยู่แล้วมาอยู่ในหัวใจของคนบาปอย่างเราซึ่งบางครั้งหัวใจของเราก็ดื้อดึงอย่างอาหัดไว้วางใจใตัวเองคิดว่าตัวเองแน่แบบอาหัด พระเยซูบอกว่าพระองค์ยินยอมจะมาอยู่ในหัวใจของคนทุกคนที่มีชีวิตแบบนี้นี่คือพระคุณพระเจ้าน่าจะ เ, เหมือนกับคนที่เป็นคนโจรคนนั้นบอกว่าขอบคุณพระองค์ที่เลือกมาอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์นี่แตนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากมายเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสชี่พรงค์สัมดงพระคุณของพระองค์มาอยู่กับเราเป็นองค์วิมาเดลในชีวิตของเรา วันนี้ถ้ามีใครที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากจะให้พระองค์มันอยู่ในหัวใจของเรานะครับง่ายนิดเดียวครับเพียง แ, แค่ท่านยอมรับว่าท่านเองเป็นคนบาปคนหนึ่งที่มีจิตใจที่ดูดึงและคิดว่าตัวเองสามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แท้จริงเราทําอะไรไม่ได้เลยเราชําระบาปตัวเองก็ไม่ได้เรายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระองค์คือพระเจ้าที่มาตายไม่เขน็นสามวันเป็นขึ้นมาจากความตายพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระเจ้าที่ชนะความตายได้พระองค์จะเข้ามาอยู่ในหัวใจของท่าน ถ้าท่านเปิดใจยอมรับนะควันนี้มีคนใดนนอยากสนใจนะครับลองถามคนที่พาท่านมาลองถามตัวเองว่าวันนี้อยากให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจของท่านหรือเปล่าวันนี้นะครับเราอธิษฐานด้วยกันได้ไหมครับขอพระองค์ทรงโปรดนําเราเฉ่าเราสักครู่นะครับคิดถึงคริสต์มาสถ้าท่านเองเป็นบุคคลที่รู้จักพระองค์แล้วขอคริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยการเชื่อฟัง มีอะไรบ้างที่ท่านโปร่งเรียกร้องให้ท่านตอบสนองตอบร้งแล้วท่านยังดื้อถึงอยู่บ้างคัมภีนี้ครับเรียกร้องให้เราเชื่อฟังพระองค์มีอะไรบ้างที่เราอาจจะยังบ่นกล่าวโทษไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกับสถาน ก, การณ์รอบข้างให้เราเปลี่ยนคสมาตรเป็นการขอบคุณทีไหมครับขอบคุณที่พระเจ้าทรงมีพระคุณเพียงพอกับเราทุงหลายคมภี สุดท้ายถ้าพริสตมาสปดีแเต็มได้วยความกระวนกระวายไร้ความสุขคริสมาสปีนี้ประงเรียกร้องให้เราเชื่อและวางใจสงบใจอยู่กับองค์อิมารูเอลพระเจ้าที่อยู่กับเราให้เราบอกพระองค์ดีไหมครับขอพรุอทรงโปรดเมตตาที่ภาระปัญหาความทุกข์ใจความกัง ว, วนกระวายใจเา จ, จะมอบไว้กับพระเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์ ตอบสนองพระองค์ด้วยการเชื่อฝังและขอบคุณพระองค์เสมอพระดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสําหรับในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ความจริงแห่งอิมมาอิเอลพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ประคนาที่จะให้เราทั้งหลายเชื่อฝังพระงค้เราทั้งหลายยอมจำนวนเป็นที่โยเซฟและมารียอมจำนบนันนให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระคุณของพระองค์มีมากเพียงพอสําหรับเราทั้งหลายเสมอ ช่วยพระองค์หลายเรียนรู้จะขอบคุณแทนที่จะบน่แท น, ทบนแทนที่จะกล่าวโทษคนอื่นและแทนที่จะท้อใจแทนที่จะมีความกระวนกระวายใจแต่ขอให้เราทั้งหลายเชื่อมั่นและวางใจในพระองค์จนถึงที่สุดไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นขอทรงโปรดเมตตาได้โปรดสำแดงให้กับเราทั้งหลายทุกคนได้อยู่ห้องนี้ได้มีโอกาสได้รู้จักพระองค์ได้พบความรักของพระเจ้าคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ขอทรงโปรดสำแดงให้เคารพรู้ว่าพระองค์ทรงรัก ะปะขนาจะมาอยู่ในหัวใจของเขาเช่นกันแะปะขนาดจะอวยพรที่เขาเองจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราท้งห่านเสมอขอสารเสรินพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชาอวยพรนะครับ